ทรเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสนสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตัวอวิชชาตัวอสวรรค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 เราเป็นอะไรแต่เมื่อครั้นโตขึ้นผู้ใหญ่ตั้งชื่อให้ว่าชื่อนั้นชื่อนี้ต่อมาก็เราเรียนศึกษามีการงานก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเราก็เป็นนั่นเป็นนี่มีนั่งมีนี่อะไรใหญ่โตมากมายออกไปนี่ก็เป็นความยึดถือทางนั้นสมมุติว่าถ้าจะมีเหตุอะไรให้ลืมเสียก็จำไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเลยนี่เพราะจำได้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 ที่เป็นตัวกลามดังกลา่าวมานี้อยู่อย่างเป็นที่เพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้จึงเป็นตัวอาวิชาเป็นตัวพบเป็นตัวกลามประกอบกันอยู่นี่เป็นตัวอาสวะท่านแสดงว่าปัญหาคือความดิ้นรนพยานอยากนั่นแหละเป็นตัวก่อให้เกิดอาสวะขึ้นความดับปัญหาเสียได้ก็เป็นการดับอาสวะและมักในองแต8ก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ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 ได้มีผู้เห็นว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วศูญเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะพูดแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็ได้ทําการซักถามเช่นซักถามว่าสําคัญอะไรว่าเป็นพระอาหารหันต์สำคัญว่าเป็นเจขันคือบ้านที่เป็นเรือนกายเป็นพระอาหารหันต์หรือผู้นั้นก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้สําคัญอย่างนั้นคราวนี้ท่านก็สักว่าก็มือเป็นเช่นนั้นเมื่อบ้านอันนี้ตายแล้ว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 จะแสดงประวัติพระสาวกแซ่เข้าบ้างคือประวัติของพระนันทภเทระและของพระรูปนันทาเทรีทั้งสององค์นี้เป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าสุดโททนะพระพุทธบิดาประสูตแต่พระนามมหาปชาบดีโคตมีพระนันทะเมื่อพระพุทธเจ้าจะด็กกรุงกบิลพั์ครั้งแรกที่ท่านกล่าวว่าหน้าพรรษาที่สองได้โปรดให้พระนันทะ ซึ่งเป็นพระพุทธอัุชาอุปสมบทเป็นภิกษุการอุปสมบทของท่านนั้นได้มีในวันประกอบพิธีอาวาหะวิวาหะมงคลของท่านเองกับนางชนบทกระยาณีซึ่งแปลว่าเจ้าหญิงผู้งดงามในชนบทพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปทรงรับบาตในพิธีนั้นและก็ได้ทรงส่งบาตให้นันทราชกุมารถือตามเสด็จไปจนถึงอารามที่ประทับและได้ตรักถามว่าจะบวชหรือ นั่นท้าราชกุมารทูลตอบว่าจะบวชด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ได้โปรดให้อุปสมบท ต, ต่อจากนั้นก็ได้โปรดให้พระราหุนซึ่งเป็นโอรสบรรณาชาเป็นสามเนเรนอีกด้วยแล้วก็ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทไปในคัมภีร์ชั้นมาลีว่าเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ในคัมภี์ชั้นอันจกถาแสดงว่าน่าเสด็จไปกรุงราชคริสก่อนต่อจากนั้นจึงเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีถ้าเสด็จกรุงราชคฤิสก่อน ก็จะต้องทรงจำพรรษาอยู่ที่เวรุวันในกรุงราชคฤิต์นั้นปอบพรรษาแล้วจึงเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีแต่ว่าถ้าเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีก่อนก็คงพียงไปประทับไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เสด็จไปทรงจำพรรษาอย่างพระเวรุวันในกรุงราชคฤิต์เพราะในพรรษาทีสส่สองนั้นท่านกล่าวว่าได้ทรงจำพรรษาอยู่ที่พระเวรุวันในกรุงราชคฤิต์รวมความเข้าแล้วก็เสด็จกรุงสาวัตถีครั้งหนึ่ง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 ได้บรรลุมรควุคือเป็นโสดาบันบุคคลได้ทูลแสดงเจตนาจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าในกรุงสาวิถีและทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับปฏิญญาว่าจะเสด็จไปพระพุทธเจ้าได้ทรงรับการรับของพระพุทธเจ้านั้นก็ด้วยวิธีนิ่งที่หมายความว่ารับอนาถาปินทิกาเศรษฐีกลับไปยังกรุงสาวิถีแล้วก็ได้สร้างวัดถวายซึ่งเรียกว่าพระเทตวัน เพราะได้ไปซื้อส่วนของเจ้าเชรสร้างถวายท่านกล่าวว่าได้สร้างเสร็จภายในเวลาเก้าเดือนบ้างห้าเดือนบ้างเมื่อพระพเจ้าได้เสด็จไปประทับอย่างพระเชตวันตามที่ทรงรับปรินิยาแล้วพระนางทาก็ได้ตามเสด็จไปอยู่ด้วยมีเรื่องที่เล่า ว, ว่าท่านคิดแต่จะลาสิกขาเพราะว่าคิดถึงนางชนบทกาลยาณีซึ่งในทําวิธีอาวาหะวิวาหะมงคลกันแล้วท่านก็มาบูชาด้วยความเคารพในพร ะ, ระเจ้า แต่ไม่ใช่บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อบวชแล้วจิตใจก็กระวัดถึ ง, งานางชนบทกรยานีอยู่เสมอและคิดว่าจะลาสิกขาข่าวทราบถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกไปไต่ถามท่านกระทูลรับตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้ทรงนำท่านไปยังดาวดึงพิภ พ, พด้วยฤิษ์ได้พบนางเทพ อ, บอับศรซึ่งในรูปงดงามเป็นอันมากประถามว่านางอับศรสวรรค์เหล่านี้กับนางชนบรกรยาณีของท่าน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 และก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปด้วยคิดเพื่อที่จะได้นางฟ้าพว้พิสูจน์ไม่ได้ทราบกันก็พากันกล่าวว่าขั้นเป็นลูกเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงซื้อถ่ายเอาไว้เพื่อคาดจ้างคือนางอักษรสวรรค์ท่านพระนันท์เมื่อได้ยินเข้าบ่อยๆดังนั้นก็เกิดความละอายใจจิตก็นายจากนางอักสรสวรรค์ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปครั้งนี้จิตหายแล้ว พระพรุทธพโมจันทร์ก็ได้ประสบวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะวันรุ่งขึ้นก็ได้ประกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้พ้นจากความรับประกันเพื่อที่จะให้ได้นางอักสรสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นดังที่แปลความว่าเปลือกตมคือกามอันบุคคลใดข้ามได้แล้วน้ําคือกามอันบุคคลใดย่ำหนีเสียได้แล้วบุคคลนั้น บรรลุกความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในเพาะสุขและทุกข์พระรูปนันทาเถรีส่วนพระรูปนันทาเถรีนั้นเป็นพระคณิธิผาเกนีของพระนันทะเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงกบิลพั์ครั้งที่สองกราบพระพุทธบิดานิพพานครั้นถวายพระเพลพระสงเรียบร้อยแล้วก็ได้เสด็จจากกรุงกบิลพั์ไปยังกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีโคตมี ได้ตามไปขอบวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก็ได้เสด็จไปกรุงสาวัตถีประทับที่พระเจตาวันฝ่ายพระรูปนางทาเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนพระราชมารดาก็ออกทรงขนวดเป็นภิกษุณีพระเจถาก็บวชเป็นภิกษุจึงเห็นว่าเมื่อบรรดาพระญาติใกล้ชิดได้ออกบวชกันหมดแล้วก็ได้ตกลงพระหฤทยัยที่จะออกบวชเป็นภิกษุณีด้วยจึงให้ไปขอบวชเป็นภิกษุณีและได้อยู่ในกรุงสาวัตถี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 และได้ปรงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอบรมในขณะนั้นซึ่งเหมือนอย่างตีเหล็กในขณะร้อนว่าเธอจงพินิจ ก, กายที่อาดูนไม่สะอาดเปื่อยเนา่าไหลเข้าไหลออกซึ่งคนเขาพปรารถนายิ่งนักเธอจงเห็นข้าทั้งหลายโดยเป็นของว่างเปล่าอย่ามาสู่โลกอีกเธอสำรอกความพอใจในภพชาติเสียจากสงบ ระนับอูตลอดไปต่อจากนี้ได้ตรัพย์เทศนาธรรมให้เห็นกระชับเข้าอีกว่าสรีระกายนี้ถูกสร้างให้เป็นเมืองกระดูกฉาบพาด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งความแก่ความตายความทนลงและความลบหลูจิตของพระรูปนันธาได้รับอารมณ์เต็มที่แล้วก็ได้วิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสอสวัตทั้งหมดเรื่องพระนันทาและพระรูปนันทานี้ แสดงให้เห็นวิธีอบรมของพระพุทธเจ้าว่าได้ทรงใช้วิธีที่เหมาะแกะ่จิตอัธยาศัยของบุคคลแต่ละบุคคลดังในเรื่องพระเถระและพระเถรีทั้งสององค์นี้ได้ทรงใช้วิธีหนามยอกเอาน้ําบ่งคือใช้หนามนั่นเองม่งน้ําเมื่อติดรูปก็แต่งรูปขึ้นอีกรูปหนึ่งที่ดีกว่ามาชักจิตให้ถอนจากรูปที่ติดอยู่เก่ามาผูกวงอยู่ในรูปใหม่รูปที่ติดอยู่เก่านั้นอาจจะเป็นหนามที่ฟังยอกอยู่ในจิตใจลึกแน่น เมื่อชักให้ถอนออกได้ก็เป็นชั้นที่หนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ยอมให้รูปใหม่เข้าไปฝังลึกอยู่แน่นเหมือนอย่างนั้นรีบใช้วิธีถอนออกทันทีเหมือนอย่างใช้น้ำแทงลงไปเพื่อบ่งน้ำการบ่ ง, บงสําเร็จแล้วก็ทิ้งน้ำสําหรับบ่งเสียด้วยวิธีที่ทรงใช้อาจจะเป็นฤทธิ์ดำที่ท่านเล่าไว้ก็ได้หรืออา จ, จเป็นคําพูดชี้แจงให้เห็นจริงเหมือนอย่างเห็นด้วยตาก็ได้เพราะท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้า ต้งมีปาฏิหาร3คือ 1. อิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศาจรรย์ 2. อาเทศนาปาฏิหารดักใจเป็นอัศาจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหารสอนเป็นอัศาจรรย์ 1. ข้อหนึ่งข้อสอืก็เพื่อให้การสอนสําเร็จ 1. ข้อ3จริงสําคัญที่สุดแต่ก็ได้อาศัยสองข้อข้างต้นช่วยตามควรแก่บุคคลผู้รับเทศนาเหตุนี้พระพุทธเจ้า